ศ า, าสนปาปฐารศาสนปฐานั้นก็คือการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นการแสดงธรรมตามอัธยาศัยของเวนัยศัสตร์ทั้งหลายคือพระองค์นั้นแสดงธรรมตามจริตตามอัธยาศัยมันถ้าหากว่าอัธยาศัยของสัตว์พอจะตรัสรู้ธรรมะตรัสรู้อริยสัตว์ด้วยพระธรรมเทศนาเช่นใดพระผู้มีพระภาคเจ้าก็จะแสดงพระธรรมเทศนาเช่นนั้น พระธรรมเทศนาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายกมาแสดงตามสมควรแก่อัธยาศัยแห่งเวณยศาสทั้งหลาย เ, าเรียกว่าสูตรคาว่าสูตรในที่นี้ไม่ได้แปลว่าพระสูตรทั้งพระสูตรแต่ข้อความข้อความเนี่ยเป็นตัวกําหนดบอกว่าข้อความอันนี้เป็นสังกิเลสะพักยสูรข้อความแบบนี้เป็นวาสนาพาักยสูร ข้อความแบบนี้เป็นนิเพทภาคียสูตรข้อความแบบนี้เป็นอเซขภาคียสูตรคือไม่ใช่ว่าพระสูตรทั้งสูตรทั้งหมดเลยเป็นสังกิเลสะภาคายะอย่างเดียวเข า, าบบก็เรียกว่าบางแห่งก็เรียกเป็นประโยคบางทีก็เรียกสองมัทัดบางทีก็เรี a, masa, ยกสามรัทัดบางทีก็เรียกหนึ่งย่อหน้าบางทีก็สองสามย่อหน้าเรียกว่าสูตรเพราะว่าเอาเนื้อความที่กล่าวถึงสิ่งนั้นเป็นประมาณว่าข้อความส่วนนั้นถ้ากล่าวถึง ตันหากล่าวถึงทฤษฎีกล่าวถึงทุจริตพระธรรมแบบนี้แสดงว่าเป็นสังกิเลผะสังกิเลสะภาคะสูตรเป็นสูตรที่กล่าวถึงความเศร้าหมองถ้าหากว่าข้อความเหล่านี้พระพุทธเจ้าแสดงถึงบุญกล่าวถึงเนื้อความที่เป็นบุญประโยคนั้นเนื้อความนั้นเป็นวาสนาภาคยะถ้าสูตรใดที่พระองค์แสดงวิปัสนาที่มุ่งการละราคะโทสะและโมหะอันนั้นให้รู้ว่าเป็น นิเพทภาคยะถ้ายกย่องถึงคุณธรรมของพระอรหันต์ทั้งหลายอันนั้นก็เป็นอเสขะพาคยะเพราะว่าภาคยะแปลว่าส่วนส่วนแห่งความเศร้ามองส่วนแห่งบุญวาสนาส่วนแห่งการชำระ ก, กิเลสหรือว่าส่วนแห่งพระอะเซขะในบนบรรดาสสูตรเหล่านี้ถ้าเอามาจับคู่กันเช่นสังกิเลสบวกวาสนาสังกิเลสบวกนิเพทาสังกิเลสบวกอะเซขะเอาเอาข้อที่หนึ่งมาตั้งอั น, นหนึ่งกับสองหนึ่งกับสามหนึ่งกับ4อย่างังไง แล้วก็บอกว่ า, าสังกิเลตนิเพทะอเซขะสังกิเลตวาสนานิเพทะก็แสดงเอาหนึ่งหนึ่งสมสี่มาบวกกันหนึ่งสองสามาเข้ากันส่วนสูตรที่สิก็เอาวาสนากับนิเพทะส่วนห6สูตรสุดท้ายกล่าวถึงความเศร้ามองกับวัวทานคือความหมดจด ความเศร้ามองสังเลตเศร้ามองด้วยตัณหาเศร้ามองด้วยทิฏฐิและเศร้ามองด้วยทุจริตส่วนโวทานคือความหมดจดหมดจดจากตัณหาหมดจดจากทิฏฐิและหมดจดจากทุจริตถ้อยความที่อธิบายทั้งหลายก็จะกล่าวถึงพระสูตรทั้งสิบหสูตรเหล่านี้ว่าประโยค่นี้เป็นอะไรผู้ที่อ่านพระไตรปิฎกนั้นถ้าจับเนื้อความจับใจความว่า พระพุทธพจน์ที่พระองค์แสดงอยู่ในหัวข้อใดใน16หัวข้อทำให้เรากำหนดจดจำหรือกำหนดกฎเกณฑ์เข้าใจพุทธประสงค์ได้อย่างดียิ่งขึ้นการเรียบเรียงคำภีของพระมหากาจนะวัตถุประสงค์ของท่านก็คือเราจะได้เข้าใจวัตถุประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงพระธรรมตรงนี้พระองค์ต้องการให้เรารู้อะไร เมื่อพระองค์เมื่อเรารู้อย่างที่พระองค์บอกแล้วรู้เพื่อการละรู้เพื่อการเจริญหรือว่ารู้เพื่อการทำให้แจ้งพรคก็จะเมื่อเราเข้าใจอย่างนั้นเราก็จะได้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะเราทั้งหลายผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณ ะ, ะสรณะของเราคำว่าสารณะนี้มีมีหลายความหมายด้วยกัน ความหมายหนึ่งแปลว่ามอบกายถวายชีวิตแก่สารณะคือมอบกายถวายชีวิตแดกแก่พระรัตนตรยัยอันนี้เรียกว่าอัตตะสันนิยตนะอีกความหมายหนึ่งก็คือปณิปาตะสิ่งที่เราจะนอบน้อมบูชาเทิดทูนที่สูงสุดก็คือพระรัตนตรยัยอีกอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราจะศึกษาจะเล่าจะเรียนจะฟังก็ขอฟังคําสอนของพระรัตนตรยัยของพระพุทธเจ้าเป็นต้นทีนี้ ถ้าเราจะเอาท่านเป็นที่ไปในเบื้องหน้าก็เอาพระตนะตรายเป็นที่ไปในเบื้องหน้าเพราะนั้นคำว่าสารณะก็คือที่พึ่งที่ระลึกถึงที่ไปในเบื้องหน้าเป็นผู้ที่จัดแจงประโยชน์ให้แก่เราทั้งหลายอะไรเป็นประโยชน์เราก็จะได้ถือเอาประโยชน์อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะได้ทิ้งออกไปไม่ต้องเสียดายเยนะเหมือนกับว่าเวลาที่เราตื่นเช้ามาเห็นอะไรเคอะข้างหน้าข้างตาข้างจมูกข้างปากเราจะเก็บไว้ไห ไม่เก็บไว้เพราะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีฉันใดถ้าหากว่าเรารู้ว่าอะไรไม่เป็นประโยชน์อะไรมีโทษอะไรเป็นไปกับทุกเราก็จะได้ละวางแล้วก็ทิ้งสิ่งเหล่านั้นออกไปไม่ถือเอามาเจริญไม่ถือเอามาปฏิบัตินั้นถ้าเราเข้าใจวัตถุประสงค์ของคำสอนก็ลักษณะเดียวกันเราจะรู้ว่าเ อ, อพระธรรมหมวดนี้มันเศร้ามองนะ สิ่งนี้เป็นสิ่งเศร้าหมองเมื่อเรารู้ว่าสิ่งเศร้าหมองเราก็จะได้ทิ้งไปโดยไม่อะไรอาวรณ์ไม่ไม่เยื่อใหญยพันถ้าเรารู้ว่าเป็นเชื้อโรคเป็นสารมีพิษที่ผู้ใดเเสพติดเข้าไปแล้วจะได้รับแต่ทุกข์โทษเขาก็จะมุ่งกําจัดสิ่งเหล่านั้นออกไปอีกในหนึ่งสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเป็นประโยชน์ก็จะได้ถือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์การพูดถึงสังกิเลสสิ่งเศร้าหมองทั้งหลาย ก็เพื่อจะได้กําจัดสิ่งเศร้ามองเหล่านั้นออกไปสิ่งใดที่เป็นบุญเป็นกุศลก็จะได้เพิ่มพูนจะได้พอกพูนจะได้ทําให้มากซึ่งกุศลเหล่านั้นที่เรียกว่าวาสนาเป็นบุญเป็นวาสนาต่อไปเมื่อบุญวาสนามีดีเพียงพอจึงจะชํำระ ก, กิเลสได้ไม่มีใครชํำระ ก, กิเลสโดยที่ไม่มีบุญไม่มีวาสนามากอนรอบเพราะคนไม่มีบุญเนี่ยอย่าว่าแต่ละกิเลสเลย แม้แต่นับถือพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถจะนับถือได้จะนับถือพระธรรมก็ไม่สามารถจะนับถือได้จะนับถือพระสงฆ์ก็ไม่สามารถจะนับถือถูกต้องก็ไปนับถือบุคคลอื่นที่อยู่ในคราบแล้วก็ถ้าหากว่าไม่รู้จักพระรัตนตรัยแล้วจะจำคำสอนได้ยังไงเมื่อจำคำสอนไม่ได้แล้วเราปฏิบัติอะไรสิ่งที่เราปฏิบัติเรามั่นใจได้ยังไงว่าเป็นไปตามคาสอนด้นการศึกษาเนติปรกรณ์ก็ถือว่าส่วนหนึ่ง ที่จะทําให้เรารู้จักคุณของพระรัตนตรัยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นก็อย่าลืมว่าการปฏิบัติสงสัยเบื้องต้นก็ต้องปฏิบัติตัวให้เป็นพระโสดาบันก่อนไม่ใช่ว่าปฏิบัติรียบละราคะละโทสะละโมหะทันทีอะไรแต่หมายถึงว่ามุ่งปฏิบัติเพื่อละความเป็นผู้ไม่มีศรัทธาให้มีศรัทธาละมิจฉาทิฏฐิให้เป็นสัมมาทิฏฐินะ ละจากการไม่เห็นคุณของพระรัตนตรัยให้มีสติปัญญาเห็นคุณของพระรัตนตรยัยทั้นถ้าเรารู้จากคุณของพระรัตนตรยัยเห็นคุณของพระรัตนตรยัยอย่างนี้ก็มั่นใจได้ว่าปิดอบายได้สักชาติหนึ่งก่อนก็อย่างนี้หรือว่าปิดได้หลา ย, ลายชาติอันนี้ถ้าหากว่าข้ามกระโดดไปปริณิพันธ์เลยก็ไม่ใช่ฐานะเพราะศาสนานี้เป็นศาสนาที่สอนพระธรรมเป็นไปตามลาดับเนี่ยนะเป็นไปตามลาดับ เมื่อทุกอย่างเป็นไปตามลำดับเนี่ยนะถ้าเราฟังพระธรรมคำสอนเข้าใจก็จะได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องสังกิเลสะพาคยะนั้นเป็นการแสดงเพื่อให้ละทิฐิละทุจริตและละตันหาวาสนาพาคยะก็จะได้เพิ่มพูนบุญกุศลส่วนนิเพเทภพาคยะก็คือการอบรมอนุปัสนาทั้งหลายเพื่ออริยมรร ส่วนอาเสฆภาคยะนั้นถ้าปฏิบัติตามนั้นสําเร็จก็จะได้ส่วนคืออาเสฆธรรมในส่วนของสังกิเลสภาคยะเนี่ยนะเราก็ได้กล่าวถึงพิษภัยทุกโทษของบาปและอกุศลธรรมทั้งหลายไม่ว่าพิษภัยทุกโทษเหล่านั้นจะเกิดจากตันหาเกิดจากผู้จริตเกิดจากมิจฉาทิฐิก็าตามโทษของสิ่งเหล่านั้นคืออะไรเนี่ยนะก็คงไม่ลืมปฏิจจสมุปบาท ทุจริตเป็นปัจจัยแก่อะไรก็เป็นปัจจัยแก่การเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกเป็นต้นส่วนตันหาตันหาก็เป็นเหตุให้เกิดความยึดถือเมื่อมีความยึดถือก็ทํากรรมเมื่อทํากรรมก็นําไปสู่พบเมื่อมีพบก็ขึ้นเชื่อว่าติดตามมาด้วยชาติชารามรณะเป็นสาเหตุแห่งโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตส่วนมิจฉาทิฐิทั้งหลาย ก็ไปเข้าใจว่าทางนรกเป็นทางสวรรค์เข้าใจทางแห่งวัฏตะ ว, ว่าเป็นทางแห่งวิวัฏฏะเข้าใจว่าทางแห่งความทุกข์ว่าเป็นทางแห่งความสุขเข้าใจว่าความชั่วเป็นความดีไอการที่เข้าใจผิดพลาดเป็นต้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นมิจฉาทิฐิเนี่ยนะเป็นมิจฉาทิฐิดังการแสดงธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพื่อชําร ะ, ะตัณหาทิฐิและก็ทุจริตทั้งหลายศีลเป็นเครื่องชําระ ทุจริตสมถะสมาธิขันเป็นเครื่องชำระตัณหาวิปัสสนาหรือปัญญาเป็นเครื่องชำระมิจฉาทิฐิทั้งหลายนี่เราก็เมื่อวานก็พูดทั้งส่วนที่เป็นบุญว่าส่วนสังกิเลสะภาคยะความเศร้ามองส่วนแห่งวาสนาภาคยะส่วนแห่งบุญกุศลคุณงามความดีแม้กระทั่งการเอาดอกไม้สักดอกหนึ่งบูชาพระตนะตรเป็นต้น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือนิเพธาภาคยะพระธรรมที่อยู่ในส่วนแห่งการชำแรกกิเลสข้อความในเนติปกรณ์หน้า177ยข้อ102ยักษ์ักถามพระพุทธเจ้าว่าราคาและโทสะมีอะไรเป็นแดนเกิดความไม่ยินดีในการเจริญกุศลยินดีแต่ในการมคุณความหวาดกลัวสิ่งเหล่านี้เกิดจากอะไรอกุศลวิตก กามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกนี่เกิดจากอะไรจึงปล่อยกุศลจิตไปเหมือนเด็กใช้เชือกผูกนกกาแล้วก็โยนไปนันก็อะไรเนเป็นเหตุให้ราคาโทสามโมหานี้เกิดเอาเกิดเอาเอาไปเอามาเนี่ยเบื่อนายในการเจริญกุศลหันกลับไปหมกมุ่นในวัตถุกรามทั้งหลายหวาดกลัวหวาดระแวงในเสนาสนะอันสังัด อกุศ ล, ลจิตก็กลุ่มรุมกาหมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกเป็นต้นก็เกิดเอาเกิดเอาเนี่ยนะก็สรุปว่าชีวิตทําไมมันจึงเกลือกลั้วอยู่แต่กับบาปแต่กับอกุศลชีวิตทําไมมันกลุ่มรุมอยู่ด้วยทางแห่งการปฏิบัติผิดเป็นต้นสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากอะไรแน่พระพุทธเจ้าก็ตอบว่าราคะโทสะมีอัตภาพเป็นแดนเกิดราคะทั้งหลายเนี่ยนะโทสะทั้งหลายเกิดจากไหนก็เกิดจากอัตภาพ อัตภาพอันนี้เป็นชื่อของขันห้าก็เพราะมีขันห้านั่นแหละจึงมีราคาเพราะมีขันห้านั่นแหละจึงมีโทสะก็เพราะมีร่างกายนั่นแหละจึงมีราคาก็เพราะมีร่างกายนี่แหละจึงมีโทสะก็เพราะมีจิตใจนี่แหละจึงมีราคาเพราะมีจิตใจนั่นแหละจึงมีโทสะเพราะมีสุขมีทุกนี่แหละจึงมีราคาจึงมีโทสะ เพราะมีความสําคัญหมายนี่แหละจึงมีราคาโทสะเพราะราคาโทสะนี่มันเกิดโดยอาศัยอัตภาพคือร่างกายและจิตใจอาศัยอุปารทานขันท่าทั้งหลายส่วนความไม่ยินดีในการเจริญกุศลยินดีแต่เฉพาะในการมคุณความหวาดกลัวสิ่งเหล่านี้ก็เกิดจากร่างกายเกิดจากอัตภาพเกิดจาก อุปาทานขันห้าก็เพราะอุปาทานขันห้านี่แหละมันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือยึดไปยึดมาไม่เจริญกุศลเลยเมื่อไม่เจริญกุศลก็หันไปบำรุงบำเรอตาบำรุงบำเรอหูบำเรอจมูกบำเรอลิ้นบำเรอกา ย, ยานะบำเรอสิ่งเหล่านี้เรียกว่ายินดีในการมคุณก็เกิดแต่ความหวาดกลัวหวาดเสียวและหวาดสะดุง้งวา่าชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรต่อไปเนอะ จะได้มีรูปให้ชื่นชมต่อไปอีกไหมจะมีเสียงเพราะๆให้ได้ยินต่อไปอีกหรือจะมีกลิ่นหอมๆให้เราสัมผัสอีกหรือจะมีรสอร่อยๆให้เราบริโภคไหมร่างกายของเราเนี่ยจะไม่ปวดไม่เมื่อยเป็นต้นหรือตายจากชาตินี้แล้วจะไปเป็นอะไรอีกเนอ้อเป็นต้นเพราะไอ้พวกนี้มันเกิดจากอัตภาพเกิดจากอุปาทานขันธ์ห้าัน้าผู้ใดรอบรู้อุปาทานขันธ์หได้อย่างจริงแท้ อารติทั้งหลายเหล่านี้ก็จะละได้นะทั้งอารติทั้งรติทั้งความหวาดกลัวขณะเดียวกันอากุศลวิตกทั้งหลายก็เกิดจากอัตภาพนี้นะอากุศลวิตกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นการมวิตกตรึกด้วยตรึกถึงวัตถุกรรมด้วยอำนาจกิเลสกรรมนะตรึกด้วยความพยาบาทเพราะความผิดหวังความไม่สมหวังหรือตรึกเพื่อจะเบียดเบียนมุ่งทาลาย อกุศลวิตกทั้งหลายเหล่านี้ก็เกิดจากอัตภาพเกิดจากตาหูจมูกเลนกายใจนี่แหละก็เพราะมีตา น, นี่ยแหละจึงมีการมาวิตกเพื่อจะเห็นสิ่งที่ตัวเองพอใจก็เพราะมีตาเนี่ยแหละจึงรังเกียจชิงชังในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากเห็นไม่อยากพอใจก็เพราะมีตาเนี่ยแหละจึงต้องการทำลายสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบทวารหูจมูกเลนกายใจก็เหมือนกัน มันอกุศลวิตกทั้งหลายที่เกิดก็เพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีอุปาทานขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ น, นี่แหล <S <S <ม>เนื่องจากอัตภาพนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดราคะโทสะอัตภาพนี่แหละเป็นเหตุให้ไม่ยินดีในการเจริญกุศลทําให้ยินดีในวัตถุกรรมเพราะอัตภาพร่างกายนี่แหละเป็นเหตุให้มีความหวาสดส้นุ่งหวาดระแวงและ หวาดกลัวอกุศล ว, วิตกทั้งหลายก็เพราะมีอัตภาพนี้แลทําให้ตรึกเป็นไปกับบาปและอกุศลพออกุศลเหล่านี้กลุ่มล ม, มบ่อยมากขึ้นสิ่งที่ละเลยก็คือกุศลละเลยในการเจริญกุศลละเลยในการให้ทานละเลยในการรักษาศีลละเลยในการเจริญสมถภาวนาวิปัสนาภาวนาละเลยในการอ่อนน้อมละเลยในการช่วยเหลือกิจการงานที่สมควร ละเลยจากการแสดงธรรมละเลยจากการฟังธรรมละเลยจากการปรับส ม, มาทิฏฐิให้ถูกให้ตรงให้เข้าใจละเลยจากบุญกิริยาวัตถุละเลยจากคุณงามความดีละเลยจากาการปฏิบัติไปตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าละเลยในศีลส ม, มาธิปัญญาอัตภาพเหล่านี้เนี่ยนะอัตภาพนี่เป็นสาเหตุอัตภาพคือขันห้าเป็นที่ไหลมาเป็นที่เจริญงอกเงยแห่งราคะโทสะนะ ก็คิดอีกในหนึ่งก็คือตาหูจมูกเลนกายใจเนี่ยนะเป็นที่งอกเงยของราคะและโทสะตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเป็นที่เจริญงอกเงยให้ไม่ยินดีในกุศลตาหูจมูกลิ้นกายเหล่านี้แหละเป็นเหตุให้ยินดีในรูปเสียงเปลี่ยนรสและโพธพากับใจก็ครุ่นคิดสแสวงหาแต่สิ่งเหล่านี้ทีนี้ความหวาดกลัวหวาดระแวงก็กลัวจะไม่ได้เห็นกลัวจะไม่ได้ยินเป็นต้นขณะเดียวกันอกุศลวิตกทั้งหลายก็ครครุ่นคิดวินิจฉัยว่า จะได้สิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรจะได้สมความปรารถนาได้อย่างไรเมื่อจิตใจเป็นไปกับสิ่งนี้ก็ปล่อยกุศลไปเลยก็เหมือนกับปล่อยนกอะนะแต่ปล่อยแบบอะไรนะปล่อยแบบใช้เชือกผูกตีนไว้ด้วยเชือกผูกนกกาแล้วผูกผูกขาไว้แล้วค่อยปล่อยไปเนี่ยนะธรรมะทั้งหลายมีราคะโทสะความไม่ยินดีในกุศลยินดีในกามความหวาดกลัวและอกุศลและวิตกเหล่านี้เกิดจากตัณหา และเกิดขึ้นในตนตัณหานี่แหละเป็นปัจจัยสำคัญสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นในร่างกายของเราเกิดในตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้เหมือนอะไรเหมือนย่านใสเกิดจากต้นใสฉะนั้นมันอเคยเห็นต้นใสไหมมันมีย่านใช่ไหมย่านก็คือฝอยๆที่มันไหลย้อยลงมาเรียกใสย้อยไอ้พวกย่านใสใสย้อยเหล่านี้เกิดจากอะไรก็เกิดจากต้นใสนั่นแหละ กิเลสทั้งหลายมีราคะโทสะโมหะความไม่ยินดีในการเจริญกุศลยินดีเฉพาะในกามคุณวาดความวาดกลัวอกุศลวิตกทั้งหลายเหล่านี้ที่มีมากมายเกี่ยวพันอยู่ในกามทั้งหลายก็เกี่ยวข้องอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโรพธะเหมือนอะไรเหมือนเถาวันเลื้อยไปในป่าฉะนั้นเพราะราคะมันก็พันในรูปเสียงกลิ่นรสและโพธะะทั้งหลาย โพสะก็พันพัๆอยู่กับรูปเสียงกลิ่นรถโพธาภะทั้งหลายที่ไม่ยินดีในกุศลก็เพราะพัวพันในรูปเสียงกลิ่นรถโพธาภะที่ยินดีในกามก็คือยินดีในรูปเสียงกลิ่นรถโพธาภะไอ้ที่หวาดกลัวเหลือเ ก, อกินก็กลัวไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรถโพธาภะอากุศลวิตกก็ตรึกถึงรูปเสียงกลิ่นรถโพธาภะเพระนั้นจิตใจก็หมกมุ่นครุ่นคิดมันก็เลยเกาะเลยพันอยู่ในสิ่งเหล่านี้เหมือนเถาวันเลื้อยไปในป่าฉะนัน้น พวกที่ปลูกไม่เลื้อนะพันกระทอกโรคนี่จะเห็นใช่กระทอกโรคเป็นยังไงกระทอกโรคก็คืออะไรนะอีกชื่อหนึ่งก็คือเพาะหน่อยสวรรค์ใช่ไหมสวรรถ้าใครปลูกไม่จะรู้ว่ามันจะเลื้อยๆแล้วก็พันพันพพวกอะไรนะองุนทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันพวกนี้มันจะเลื้อยๆแล้วก็พันพันันมัดแน่นมันมอนห้อยโหนอยู่ได้หมดราคาโทสะโมหะ ความยินดีในการมาคุณเป็นต้นก็เหมือนกันพวกนี้ก็ พ, พันพันพันอยู่กับรูปพันอยู่กับเสียงพันอยู่กับกลิ่นพันอยู่กับรสพันอยู่กับโพธภิภพพันอยู่กับธรรมมรมทั้งหลายนะนะด้วยอํานาจอากุศลชนทั้งหลายที่รู้ว่ากิเลสนั้นมีสิ่งใดเป็นแดนเกิดรู้แล้วว่าที่เกิดของกิเลสที่เจริญ ง, งอกเงยของกิเลสคืออะไรก็คืออัตภาพก็จะละกิเลสเหล่านั้น ให้ละกิเลสเหล่านั้นกิเลสเหล่านั้นมันเกิดโดยอาศัยอัตภาพและต้องทําอย่างไรก็ต้องพิจารณาอัตภาพจนกว่าอัตภาพนั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสจะต้องพิจารณาขันเหล่านั้นจนขันเหล่านั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสจะต้องพิจารณาตากับรูปหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับโภตาภาใจกับธรรมรมทั้งหลายจนสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสอีกต่อไปเนี่ยนะ อย่างที่พระองค์แสดงในอายตนะบพะที่บอกว่ารู้ชัดในตารู้ชัดในรูป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 เห็นธรรมดาคือความเกิดบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมบ้างพิจารณาเห็นธรรมดาทั้งความเกิดและความเสื่อมมุ่งละความสำคัญว่าเราว่าของเราว่าเป็นอัตตาของเราละความสำคัญว่าเที่ยงสุขงามยั่งยืนและอัตตาในโลกคือตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้ปัะถ้าหากว่าผู้ใดรู้ว่ากิเลสเนี่ยนะ หรือสังโยดบายอกุสุลธรรมทั้งหลายก็ไล่สืบมาจากสิ่งเหล่านี้ก็ต้องพิจารณาสิ่งเหล่านี้ด้วยอาทีนวานุปัสนาภาวนายานหมายค่าว่าญาณที่เจริญภาวนาโดยการตามเห็นโทษของอุปาทานขันห้าเมื่อตามเห็นโทษของอุปาทานขันห้านนเมื่อรู้จักพิษภัยทุกโทษอย่างแท้จริงก็สามารถละความเศร้าหมองคําว่ากิเลสก็คือความเศร้าหมองละความเศร้าหมองที่เกิดจากทวารตาหูจมูกลิ้นหายใจได้ ดูก่อนยักษ์ท่านจงฟังชนเหล่านั้นย่อมข้ามโอคะที่ข้ามได้ยากที่ตนไม่เคยข้ามเพื่อนิพานอันไม่ต้องเกิดอีกวิธีข้ามเขาข้ามกันอย่างนี้คือวิธีข้ามเนื่องจากว่าเขาพิจารณาสิ่งเหล่านี้เขาพิจารณาอัตภาพเป็นอย่างดีพิจารณาจนว่าอัตภาพเหล่านั้นไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโมหะอัตภาพเหล่านี้เนี่ยนะ จนไม่เป็นที่ท่วมทับแห่งกามโมคะโวคะทิถกคะและอวิชคะการข้ามอย่างนี้เพื่อพระนิพพานซึ่งไม่เคยข้ามไม่เคยข้ามแม้แต่ในฝันอตตะาท่านบอกว่าไม่เคยข้ามแม้แต่ในความฝันเกิดมาไม่เคยฝันว่าออกจากโลภะได้เด็ดขาดใครเคยฝันว่าออกตัดตัณหาได้เด็ดขาดแล้วนะฝันว่าละตัณหาเรียบร้อยแลย้วฝันว่าละอะไรนะ ความปรารถนาในภพได้อย่างสิ้นเชิงฝันว่าละมิจฉาทิฐิโดยประการทั้งปวงละฝันว่าละความโง่ความเคลา้าฝันว่ารู้แจ้งแทงตลอดพระนิพพานมันบอกว่าสิ่งเหล่านี้ท่านบอกว่าที่ตนไม่เคยข้ามไม่เคยรู้โดยที่สุดแม้แต่ในความฝันเหมือนกันการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเหตุนะแสะดงเหตุว่าราคาโทสะโมหะบาบาคุโสลธรรมทั้งหลาย ที่เจริญงอกเงยของเขาก็คืออุปาทานขันห้าแล้วพระองค์ก็แสดงธรรมให้รู้ว่าการพิ่เจรณาอุปาทานขันห้าให้ถูกต้องตามเป็นจริงด้วยอาทีนวานุปัสนาทิภาวนายานเนี่ยดิฉอัตถกถาท่านบอกว่าอาทีนวานุปัสนาทิภาวนายานหมายกันว่ายานที่การเจริญภาวนาโดยการตามเห็นโทษของอุปาทานขันห้าเป็นต้น นะการที่จะเห็นโทษของอุปาทานขันห้าได้เนี่ยนะที่รู้โทษการรู้โทษนะั่นะเกิดจากอะไรก็เกิดจากการตามเห็นขันห้าว่าไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามาเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นการ เ, าเห็นทุกโทษพิษภัยของอุปาทานขันห้าเป็นอย่างดีโดยอ น, นิจจังทุกขังอนัตตาเขาเมื่อเห็นโทษอย่างนี้ก็ย่อมเห็นภยัยเมื่อเห็นโทษเห็นภยัยอย่างนี้ก็เนาะปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดถ้าเราคลายกำหนัดจากสิ่งใด เราจะมีกิเลสจากสิ่งนั้นไหมนะคิดง่ายๆว่าไอ้รถวันก่อนนั่งรถมาเห็นรถไปคว่มอยู่กลางถนนคนขับน่าจะตายสินค้าก็เกลื่อนพอมาไม่รู้สึกว่าดีใจเสียใจยอะไรกับตรงนั้นเลยเพราะอะไระก็เพราะว่าไม่ได้ไปสำคัญหมายว่าเราจะต้องเป็นของเราแล้วเราอยากได้สิ่งนั้น ไม่ใช่ของเราด้วยแล้วเราก็ไม่ได้ต้องการสิ่งนั้นด้วยเมื่อสิ่งนั้นจะเป็นอะไรก็เป็นไปสิว่าไม่ใช่ของเราไม่ใช่เราเราจะไปว่าอะไรเขาอย่างมากเราก็สงสารเจ้าของโ อ, โอ้เนี่นะเขาเสียหายแน่นอนก็ด้วยกรุณาก็สงสารบ้างแต่ถามว่าไปมีราคาไปชอบเออเจ๊งได้ก็ดีหรือไปโกรธโอ๊ยเกลียดแคนไปเครียดแทนเจ้าของเขาบอกไม่ใช่ถามว่าทําไมเพราะว่าถ้าพิจารณาสิ่งใดเป็นอย่างดีแล้วไม่มีความยึดถือในสิ่งนั้น ดัดชั้นราคาในสิ่งนั้นได้เด็ดขาดมันก็ไม่รู้ว่าจะไปยินดี เ, นเพลิดเพลินทาไมอย่างที่พระอรหันต์ท่านบอกว่าถ้าไม่ได้ติดอถ้าพิจารณาร่างกายจนดีพอจนร่างกายเหล่านี้ไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะเป็นกับตายท่านบอกว่ามันเท่ากันเพราะความเป็นก็รอความตาย น, นะนะความเป็นอยู่ก็รอความตายมันเมื่อมันจะเป็นมันจะตายมันก็มีค่าเท่ากันในในในปัญญาของท่าน ใ น, ในสายตาปัญญาของท่านท่านบอกว่าเป็นกับตายมันไม่ได้มีความต่างกันเลยเพราะอัตภาพของท่านไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะเพราะท่านไม่ยึดติดไม่เป็นที่ตั้งแห่งโทสะเพราะท่านไม่ได้กลัวตายถามว่าเพราะอะไรเพราะท่านมีที่พึ่งที่คนอื่นเขาไม่มีที่พึ่งอย่างพวกสัตว์ทั้งหลายที่หวาดกลัวก็เนื่องจากกามโมฆะโวคะทิโขะอวิชโชคะมันเป็นเหตุให้เกิดความหวาดกลัว แต่พระอรหันต์ทั้งหลายท่านออกจากกาโมคะด้วยกายานุปัสนาสติปฐานออกจากพโวคะด้วยเวทนานุปัสนาสติปทานออกจากทิทโถโขคะด้วยจิตานุปัสนาสติปทานออกจากอาวิชโขคะด้วยธรรมานุปัสนาสติปทานเมื่อสติปฐานสีของท่านบริบูรณ์สมัมมาปทานสีอิทิบาสีอินทรีห้าพละหโพชฌงเจ็อริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8เป็นบริบูรณ์มันท่านได้ ที่พึ่งที่ท่านได้ที่คนอื่นได้โดยยากเมื่อท่านได้ที่พึ่งเหล่านี้แล้วท่านจะไปอะไรอาทําไมในเรือและแพเงินนะเขาบอกว่าจะไปอะไรอาวรนทาไมในเรือผุผูเล่าว่างั้นเทพบุตรท่านหนึ่งเป็นโยคาวจรที่เคยปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาท่านก็ตายไปตายไปก็ไปเกิดเป็นเทพบุตรเทพพระบุตรนั้นเพื่อความไม่ประมาทก็ลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้าเทาพบุตรกราบทูล เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าสมณธรรมเป็นสิ่งที่ทําได้ยากข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าสมณธรรมเป็นสิ่งที่ทําได้ยากอย่างยิ่งอธิศิลสิกขาทํายากยากเลยนะอธิจิตสิกขาก็ทํายากอธิปัญญาสิกขาก็ทํายากนะเทวดายังอดครวนเลยว่าทํายากนะจริงเทวดาก็เคยเกิดเป็นมนุษย์ผ่านไปมาหยกหยกเนะี่ยนจะรู้โอ้โหที่ผ่านมานี่มันยากแท้ พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าดูก่อนกามทะพระเสขะบุคคลทั้งหลายผู้สมบูรณ์ด้วยศีลดํารงมั่นย่อมทําสมณะธรรมที่ทําได้ยากถ้ากุศลศีลดีเยี่ยมสมบูรณ์ด้วยศีลดํารงมั่นอยู่ในศีลถ้าศีนดีแล้วสมณะธรรมคืออธิจิตอธิปัญญาก็ทําไม่ยากเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่ายากถ้ายากจริงก็ต้องย้อนกลับมาหาศีลหากายวาจาใจ ของเราเว้นจากสิ่งที่ควรเว้นเจริญในสิ่งที่ควรเจริญละในสิ่งที่ควรละทำในสิ่งที่ควรทำอะไรมีทุกมีโทษก็เว้นออกไปอะไรที่เป็นเหตุแห่งความดีความเจริญก็ภาคเพียรถ้าทำได้ตามนี้จริงทำได้เนี่ยนะท่านทำได้แมในสิ่งที่ทำได้ยากความสันโดษย่อมนำความสุขมาให้แก่บุคคลผู้เป็นอนาคาริศคนที่ออกจากเรือนบวชเป็นบนรรพชิตถ้ารู้จักคำพอ มีความสุขนะนะถ้าหากว่าผ้าเพียงเพื่อปกปิดอัตภาพก็เพียงพอแล้วอาหารก็เพื่ออิ่มท้องก็พอแล้วที่อยู่อาศัยก็พอว่าฝนไม่ตกเปียกนะไม่ร้อนเกินไปเป็นต้นก็เพียงพอแล้วเป็นต้นทันถ้ารู้จักสันโดษในปัจจัยสีนี่นำความสุขมาให้แต่ที่มันเดือดร้อนก็เพราะมันหิวทางจิตวิญญาณนี่แล้วอันนี้โอกุฏิเราทำไมมันน้อยจังกุฏิคนอื่น ม, มันใหญ่แท้เป็นต้นเนยะ กุฏิของเราไม่มีพัดลมเลยกุหลังโน้นก็มีพัดลมแต่ถ้าถ้าแต่คิดอย่างนี้ก็ทุกแท้เนี่ยนะโดยเฉพาะสัมมณาณะทั้งหลายผู้ที่ไม่มีความสันโดษเนี่ยทุกแท้เพราะจิตใจเนี่ยก็ครุ่นคิดหาแต่ว่าถูกกามเป็นต้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเพรานันถ้าหากว่าเสพระเสขา บ, บุคคล ผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเนีย่ยนะจะถึงพร้อมด้วยจตุปาริสุทธิศีลมีใจดำรงมั่นด้วยอุปจาระสมาธิอัปปนาสมาธิสมณธรรมคือธรรมของผู้สงบจากวัตฏะทำได้ทาได้และความสันโดษก็ย่อมนำซึ่งความสุขมาให้เพราะถ้าจะให้ศีลดีก็ต้องรู้จัก สันโดษเนี่ยนะสันโดษหมายความว่ารู้จักพอเพื่อจะได้อบรมศีลเมื่อเมือ่อศีลดีสมถะวิปัสสนาก็จะดำเนินไปอย่างต่อเนื่องเทพบุตรก็กราบทูลกับพระพุทธเจ้าต่อไปอีกว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าความสันโดษเป็นสิ่งที่ทําได้ยากสันโดษนี่ก็ยากเเหมือนกันนะ เอาเห็นคนอื่นมีเราก็อยากมีบ้างอ่ะทำไงได้เห็นคนอื่นเขามีเราก็อยากมีเห็นคนอื่นเขาได้อะไรเราก็อยากได้เหมือนเขาไปทุกอย่างเลยนะสันโดษนี่มันยากจริงๆริงนะไอ้คำว่าใจที่รู้จักอิ่มรู้จักเต็มรู้จักพอเนี่ยทำยากจริงๆพระเจ้าค่ะพระองค์ก็บอกว่าดูก่อนกามทะใจของพระอริยบุคคลเหล่าใดยินดีในภาวนาทั้งกลางวันทั้งกลางคืนพระอริยบุคคลเหล่านั้นเนี่ยผู้ยินดีในภาวนาอันเป็นที่สงบจิต ย่อมได้ความสันโดษแม้ในแม้ในที่ได้โดยยากปกติแล้วความสันโดษไม่ใช่จะได้โดยง่ายแต่ถ้าจะให้เรายินดีในสันโดษได้ต้องมีตัวมาชดเชยเขาวากันคือเนื่องจากว่าไอ้ที่เราไม่ยอมสันโดษอนุ่ น, นก็อยากได้อันนี้ก็ดีจิตใจก็หิวแสวงหาแต่สิ่งเหล่านั้นก็เนื่องจากว่ามันมันไม่มีตัวอื่นมาชดเชยแต่ถ้ามีใจยินดีในภาวนาถ้ามีใจอยู่กับสมถะแล วิปัสนาถ้าใจอยู่กับสมถะและวิปัสนาอย่างแท้จริงมีความสงบด้วยอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิเจริญด้วยอนุปัสนาเจ็ดทั้งหลายถ้ามีคุณธรรมแบบนี้เนี่ยนะจะยินดีในความสันโดษที่คนอื่นยินดีได้ยาก